ก้าในยถาจิตตัสวาจาติกถา92ว่าโดวยวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดห้าร้อยหกสิบสี่สกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้ไม่มีสัมผัสไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีจิตมีใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวาจามีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหม ปรวาทีใช่ักวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ผูกใจอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่มีใช่หรือปรวาทีใช่ สักวา่าทีหากวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปาตามที่คิดสักวาทีวาจาไม่เป็นไปาตามที่คิดใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีวาจามีจิตเป็นสมุทฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกวาทีหากวาจามีติตเป็นสมุทฐานเกิดพร้อมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่ประสงค์จะกล่าวก็กล่าวได้ไม่ประสงค์จะว่าก็ว่าได้ ไม่ประสงค์จะร้องเรียกก็ร้องเรียกได้ไม่ประสงค์จะพูดก็พูดได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประสงค์จะกล่าวจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หาบุคคลประสงค์จะกล่าวถึงจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดห้าร้อาปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่า จะว่าอย่างหนึ่งแต่ว่าไปอีกอย่งางหนึง่งคิดว่าจะร้องเรียก nuggets, อย่อ า, า, า, างคนคาาหนึ่งแต่ร้องเรียกไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งมีอยู่มิใช่หรือสกวาติใช่ปรวาติหากบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปต า, ามที่คิด นยถาจิตตัสวาจาติกถาจบส0นยถาจิตตัสกายกรรมมันติกถา 93. ว่าด้วยกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด 566. กสกสกวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที กายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้ไม่มีผัสสะไม่มีจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาที กายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกรกรมมีได้แก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายกรรมได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดศักวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่ศักวาทีกายกรรมมีจิตเป็นตมุตฐานเกิดพร้อมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตมีใช่หรือปรวาทีใช่ศักวาทีหากกายกรรมมีจิตเป็นตมุตฐานเกิดพร่วมกับจิต กิขณะเดียวกับจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาธีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีบุคคลไม่ประสงค์จะก้าวไปก็ก้าวไปได้ไม่ประสงค์จะถอยกลับก็ถอยกลับได้ไม่ประสงค์จะแลดูก็แลดูได้ไม่ประสงค์จะเหลียวดูก็เหลียวดูได้ไม่ประสงค์จะคู่เข้าก็คู่เข้าได้ ไม่ประสงค์จะเหยียดออกก็เหยียดออกได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประสงค์จะก้าวไปจึงก้าวไปได้ประสงค์จะถอยกลับจึงถอยกลับได้ประสงค์จะแลดูจึงแลดูได้ประสงค์จะเหลียวดูจึงเหลียวดูได้ประสงค์จะคูเข้าก็จึงคูเข้าได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ สักวาทีหากบุคคลประสงค์จะก้าวไปจึงก้าวไปได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดห้าอหสเจปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่งแต่ไป ในที่อีกแห่งหนึง่งคิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่งแต่เหยียดแขนอีกข้างหนึง่งมีอยู่มิใช่หรือศักวาทีใช่ปรวาทีหากบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึง่งแต่ไปในที่อีกแห่งหนึง่งคิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่งแต่เหยียดแขนอีกข้างหนึ่งมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด นยฐาจิตตัสกายกรรมมันติกขถาจบ11อดตีตานาคตาปัจจุบันนกถา94ว่าด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบัน568สกวาทีบุคคลประกอบด้วยอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วมิเชฟหรือ ปราวาทีใช่ักวาทีหากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตักวาทีบุคคลประกอบด้วยอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏมีใช่หรือปรวาทีใช่ั ก, กวาทีหากอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอนาคตห้าร้กสวาทีบุคคลประกอบด้วยรูปขันที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีบ <consulting> <Sí. S 2> ุคคลประกอบด้วยรูปขันสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลประกอบด้วยขันห้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยขันสิบหใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที บุคคลประกอบด้วยจักา mm. ขายตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที assembly, ่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขายตนะสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยอายตนะสิบสองที <somet> ่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลประกอบด้วยอายตนะสามสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุธาตุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุธาตุสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยธาตุ8ที่เป็นอดีต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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยอินทรีย2ที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยอินทรี66ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น570ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคตใช่ไหมสกวาที ใช่ปรวาทีบุคคลผู้เพลงวิโมก8ได้ทานสี่ตามปรารถนาได้อนุปุพภะวิหารัตสมาบัติ9มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหาบุคคลผู้เพลงวิโมก8ได้ทานสี่ตามปรารถนาได้อนุปุพภะวิหารัตสมาบัติ9มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคต อตีตานาคตะปัจจุปันนกถาจบนวมัคจบรวมคถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. อานิสังสทัศวีกถา 2. อ, อมตารมัาามณกะถา 3. ารูปังสารมานันติกาถา 4. อนุสยาอนารมณกะถา 5. ายานังอนารมานันติกาถา6 ก, กอ อดีตารมณกถาหกขออนาคตารมณกถา 7. ดวิตกานุปฏติตกถาแปดวิตกวิปภารสัทธกถาเก้านยถาจิตตสวาจาติกถา1ิบนยถาจิตตสกายกรรมมันติกถาสิบเอ็ดอติานาคตาปัจจุป น, นกถา